มาเถิดพวกเรามาตามรอยพระพุทธเจ้ารอยพระพุทธเจ้าคือรอยศีลรอยสมาธิรอยปัญญารอยสติสมชัญญามาสร้างมามนกิริยาที่ทมให้เห็นล่องเห็นรอยกิงๆออเนือออกแรง เหนื่อยเพราะศีลเพราะทมไม่เป็นไรเหนื่อยเพราะการเจริญสติไม่เป็นไรเราเหนื่อยเพราะกิเลสตัณหามามากเหนื่อยเพราะความโลภโกรธกามหลงความคามิดปกปองวนจนหมดเลือดหมดแรงมาพอแรงแล้วเราจึงมาสร้างออกเหนือออกแแรงสร้างความรู้สึกตัว เหนื่อยเพื่อศีลเพื่อทำไม่เป็นไรเหนื่อยเพื่อการทําความดีช่วยเหลือกดอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเราเปรียบก็เปรียบเหมือนเราใช้น้ําใช้ไฟเราใช้น้ําเพื่อบริโภคเราใช้ไฟเพื่อทําประโยชน์ถ้าเราปล่อยไฟขึ้งน้ำไหลทิ้งไม่ใช่ประโยชน์เป็นความโกรธ มันใช้ชีวิตติดศูนย์ไปเปล่าๆาาาคามทุกข์ความไปตกกังวลมันเผาผานทำให้ชีวิตเราสิ้นเปลืองไปวันนี้เรามาถนอมสร้างความรู้สึกตัวเพื่อทำความดีแล้ว่าก็มีลอยไม่ฟรีหรอกการเจริญสติเนี่ย เราพิกมืโยกมืสร้างจังหวะเนี่ยมันไม่ฟรีพยายามรู้สึกตัวเข้าไปแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกก็อยากให้มันฟรีรู้สึกตัวเข้าไปในคารเวลาที่บางโอกาสเราก็หายใจเข้าหายใจออกก่อนหลับก่อนนอ น, น, นเะไรยาเงี้ยหรือเวลาใดก็ได้ <c oughs> เรารู้สึกตัว ไปกับลมหายใจแต่เวลาอื่นโดยตรงแล้วเวลาสร้างจังหวะมันเป็นโดยตรงมันมีเกตนามันสมบูรณ์แบบก็ยิ่งดีจะได้เห็นจะได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวไปนานๆมันก็มีผลกระทบหลายอย่าง ทางกายทางใจเราแล้วเกิดญาณเกิดปัญญาด้วยเห็นโลกทำเห็นนามธรรมเห็นบุญเห็นบาปบาปคือความไม่รู้แต่ก่อนเราไม่รู้วันนี้เรามารู้สึกตัวเราแต่ก่อนเราหลงวันนี้เราไม่หลงสิ่งที่เราเคยหลงเราลู่แล้วสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์เราลู่แล้ว สิ่งที่ทำให้เราโกรธเราให้ตกความุ่นเราลู้แล้วเป็นบุญของเราเราจะไม่ได้ถลํมเข้าไปกับหอกเหวที่พัดพาเราไปเรารู้สึกตัวเหมือนกันกับการกอบกู้ชีวิตกลับคืนมาไม่ไปเหมือนเมื่อก่อนถ้าเราไม่ความรู้สึกตัวมันเป็นการใช้ชีวิต ที่ถูกต้องไม่ศูนย์เปล่าไม่สิ้นเปลืองนะโดยเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยเป็นการถนอมชีวิตเราถ้าทุศีลอสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีก็พุ่มเฟอ้อพุมอ่มพวยสุดรุ่ยสุดร่ายเราจึงมาฝึกขัด แล้วก็เราใช่วัตถุสิ่งของนั่นแหละแต่ว่าคนใช้ไม่เป็นก็สิบหายได้เสียหายได้เป็นคนเับพับออบจนการใช้ชีวิตก็เหมือนกันชีวิตเรามันเสียหายมันสูญเสีย การชีวิตที่เป็นการสูญเสีย เ, เรียกว่าอาการเกิดดับเกิดเท่าไลอยก็เสียไปเกิดเท่ลอยก็เสียไปยิ่งเกิดเรื่อยทันเมื่อเกิดเรื่อยทันก็จิบหายเกิดโครคภัยไข้เก็บต่างๆถ้ามีศีลมีสมาีิมีปัญญาแล้วมันไม่มีสิ้นเปลืงมันมันได้มาชัา่งนมันปกปติมันทบทบทดแทนกัน มันทดแทนกันเราจะเป็นความสุขถ้าจะเป็นความไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่มันปกติเนี้ยในนั้นมีเสียให้ได้เห็นให้ได้พกเห็นถ้าเป็นบุญก็คือรู้แล้วแล้วก็ถึงไหนที่ทําให้ผิดเราได้ทําให้ถูกแล้วเป็นบุญของเราแล้ว อย่างไหนที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราได้ละแล้วเป็นบุญของเราแล้วแต่ว่าบุญแหลือลู้แล้วอันตรายที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเรารู้แล้วเราได้ทำแล้วและเราได้ทำแล้วแล้วก็แลอกไปจริงๆเป็นความโกรธมันไม่โกรธอีกแล้วความทุกข์มันไม่ทุกข์อีกแล้ว พร้มหลงมันไม่หลงอีกแล้วอย่างเนี้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องทํากันเราจะทําอย่างไงชีวิตเราก็าต้องมีแบบฉบับมีศาสตร์สนามีการกระทํากิริยาธรรมแล้วชีวิตเราก็เหมาะที่จะทําอันนี้เป็นงานอันวิเศษการปฏิบัติธรรมการภาวนาเนี่ย เป็นการทำงานอันวิเศษชีวิตที่ทรงคุณค่าค่าเราและไม่พอเป็นค่าต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นอีกด้วยเห็นว่บบาพริเจ้าของเราเน่สี่ห้าพันปีเนี่ยสองพันสามพันปีเนี่ยยังเป็นประโยชน์อยู่ประเทศอินเดียถ้าไม่มีพระเจ้าอ๋อ ประสูตรหรือตัดเซลลูอยู่ที่นั่นแล้วประเทศอินเดียอาจจะไม่มีค่าอะไรแต่เน่ก็แปลมาเป็นสภาพวัตถุปีหนึ่งปีหนึ่งได้เงินจากการท่องเที่ยวการภาษาศาสนาจากพระพุทธเจ้าเป็นหลายหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเราก็เป็นประโยชน์เป็นผลกระทบมาถึงพวกเราด้วยเป็นส่วน ธุลีพระ บ, บาทของพระเจ้าเปลวมาวัาสคิตอย่ใงหัวใจของเราในกายของเราทำให้ได้ใช้ชีวิตที่สมบูรณ์มีศีล น, นะสมบูรณ์ขึ้นมามีสมาธิสมบูรณ์ขึ้นมามีปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมามีสติโอวรรดสมบัติ สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขึ้นมาแล้วก็มีอย่างนี้คีวิตเรามาแสวงหากันมาปฏิบัติทำกันมาสร้างสติมาดูเห็นอะไรก็จะได้ฉลาดเสียงเหล่านั้นเห็นความหลงก็ฉลาดมันต้องมาให้เราเห็นอยู่ดีๆถ้าเรามีสติ ความหลงก็าตรงมาให้เราเห็นหลงแล้วหลงอีกเราก็รู้แล้วรู้อีกความโศ ก, ค, ก ค, นานาความทุกข์นั่นแหะความหงเมาหานอนความวิตกกังวลเศร้าหมองอะไรต่างๆมันเคยผ่านตาบางทีมันก็เคยมีอำนาจใช่กายใช่ใจไปพัดเข้าไป วันนี้เรามารู้สึกตัวมาดูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หยับดูสัมผัสดูแต่ถ้าไม่ไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวจะไม่รู้จักนะจะไม่รู้จักหุ่นกดตาบอดเหรียญสิบบาทเหรียญห้าบาทเหรียญลับบาทแม่แต่ ดอลล่าเนี่ยหลวงพ่อเห็นคนตาบอดเขายืนดีดกีตาร์อยู่เนื้อหยกแถวแถวถนนสาวบรีของเนื้อหยกเขายืนหยืดดีดกีตาร์เลาดอลล่ า, ล า, ลามันก็ใบเท่ากันนะเขยเขาก็เปิดกระเป๋า หลุดซิดปออกพอเปิดกระเป๋าไว้ข้างๆเขาเขาก็ยืนดูดดีดกีตาร์ไปแต่เมีคนเอาไปโยนดอนลล่าใส่กระเป๋าเวลาประมาณเขาก็นั่งลงเก็บดอลล่าตึ่งเป็นใบเท่าๆกันอ่หนึ่งดอลล่าเขาก็ไหวคนหนึ่งดอลล่า ห้าดอลล่าสิบดอลล่าเขาก็ไหวเฉพาะนั่นแต่ผนเป็นใบกระดาษมัน่ังรู้จักคนสัมผัสนะเอางั้นคนตาบอดบ้านเราเหรียญสิบเหรียญห้าเขาก็รู้จักเพราะเขาสัมผัสถ้าเขาให้ใครสัมผัสเขาก็ไม่รู้การสัมผัสกั บ, กบคงรู้สึกตัวมันเป็นยานยิ่งกว่านั่นอีกมันเป็นยานเป็นมรรคเป็นผลที่สุดเลยต้องรู้สึกตัวนี่ย แต่ถ้าไม่มีความรู้จากตัวเนหะมือนก็ไม่ได้สัมผัสกับอะไรปีไปทั้งหมดเลยชีวิตเราอะไรก็ไม่รู้เอาทุกอย่างบ้าหอบความหลงก็เอาความโกรธก็เอาความทุกข์ก็เอาความรักความชังความวิตกกวาวุสมองเอาหมดเลยไม่รู้จากเลือกจนเฒ่าจนแก่ตายไปเท่าไหร่แล้วเขาก็ปีไงหมดเลยหมดเลือกหมดแรงไปปีป อันนี้ทางวัดสุขโตเนี่ยขอเชิญชวนพวกเรามาเถอะมาปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกับชาติชั้นวัฒนนะเพศวัยนิการละทิชาติใดภาษาใดเพราะมันเป็นของสากลทุกคนพิสูจน์ได้ยนสร้างจังหวะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปแล้วมันจะเห็นอะไรที่มันเกิดจะมาหรอก แล้วมันก็มาผ่านนี่แหละผ่านหน้าตาของความรู้สึกตัวนี่แหละมันเกิดมาทางกายมันเกิดมาทาง จ, จิตใจและภายนอกภายในภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงภายในก็คือตาหูจมูกลิน้นกายใจระหว่างนี่การสัมผัสนี่ถ้าเราไม่มมม ไ, ไม่ความรู้สึกตัวเราก็จะพัดไปถ้าเราเป็ความรู้สึกตัวจะโต้ตอบทักท้วงตรวจสอบถูก ถูกการตรวจสอบเช่งเราไดนทันทีว่ามันคืออะไรเหมือนคนพอบานเหมือนทวารนายทวารบานเฝ้าประตูใครมาก็ต้องดูก่อนเหมือนกัเขาตั้งด่านด้วยหน้าวัดเนี่ยบางคืนสามทุ่มไปเขาก็ตรวจสอบใครไปใครมาถ้าใครในอะไรเขาก็ ต้องสอบสวนดูก่อนจึงค่อยปล่อยเข้าป่อยออกสติสมชัญญะนี่เป็นทวานบานของกายของใจเราตั้งขึ้นมาดูขึ้นมามันจะเกิดการตรวจสอบจะเกิดการบริสุทธิ์เกิดการปลอดภัยในชีวิตเราชีวิตที่ไม่มีภัยนี่ เ, นเรียกว่าชีวิตอรลยยเจ้า ก็ได้ถ้าไม่มีไผยจะนุ่งกางเกงขัสั้นขายาวใส่เสือ้อสีไหนห่มนุ่หงห่มผ้าไรไม่เกี่ยวว่าแต่ไม่มีไผ่เพราะเราตรวจสอบเรามีความรู้สึกตัวใ ห, ให้มันเป็นใหญ่ในตัวเองแต่นี่เราไม่เป็นใหญ่เป็นทาตุด้วยซ้ำไปพี่ินเรานะเป็นทาต พอเรามาเจริญสตินี่คยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาลโลนนดโลนี่ที่มันจะแดงที่มันเป็นจริตมันเป็นนิสัยที่มันเคยกินอะไรต่างๆบางคนมันจะมีจริตนิสัยต่างๆกันไปแต่ก็ดีเราจะได้เห็นมัน จะได้เห็นจะได้มีนิดใสใหม่ขอนิดใสใหม่นิดใ ส, ใหดใสแห่งพุท ธ, ธคือความรู้สึกตัวนะมาสร้างตัวนี้มามีนิสัยอันนี้ <c oughs> อย่าไปพูดแต่ปะกไม่สร้างอันนี้ <c oughs> ไว้ทานขอให้เป็นนิตใสเป็นปปิจัยเพื่อมรรคผลในฟานแนนในอนาคตการเบื้องหน้านูา้นเทิานว่าอยู่เฉพาะเรื่องนั้นไม่มีการกระทำมันจะไม่มีนิตใสเรามาทํเราไม่มันจะเกิดเนตใสพยันสร้างความโลภหรือนะวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่ ง, ลงเลินจงกรมหน้าก็ไม่เกินนีช่ชาก็ไม่เกินวินาทีไรก็ไม่เกินนี่เท่าไหร่ ประมาณนี้แหละ ม, มาสร้างให้มันเกิดความรู้ขึ้นมารู้เอารู้เอารู้เอาถ้าเป็นการเจ็บทรัพย์ก็เจ็บเอาเจ็บเอาความรู้สึกตัวมันเป็นอริยทรัพย์ภายในของเราเราก็เจ็บเฮ้ยเจ็บเอาความจนก็หมดไปหมดไปเพราะมันมีอริยทัพย์ขึ้นมามีสติมีสมชั ญ, ญาธิแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเป็นศีลเป็นสมาธิขึ้นมา เป็นปัญญาขึ้นมาออกงามขึ้นบ้างนะเพราะมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่มันมีเรื่องนี่หรือเรื่องอื่นมันก็น้อยลงหรือหมดไปเลยความหลงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เฉพาะพวกเราหรอกสร้างสติ ป, ปฏิบัติธรรมหลายหลายหลายหลายชีวิตหลาย ห, า ย, หายพื้นที่ โดยเฉพาะในภรษาเนี่ต่างบางสถานที่ก็เอาเคิยงเอาจังผมงพ่จเคยไปอยู่ถ้าเขามีจังหวัดสุพรรณบุรีอําเภอด่านช้างไม่นอนเลยล่าหนึ่งมาตั้งโต๊ะนั่งในไรศาลเว <c oughs> ลาหลังใหญ่ มาตั้งโต๊ะกลางมุ่งในศาลานั่งคนละเสาละเสาละเสาแล้วนั่งนานพอจะคนก็เดินบางคืนก็นั่งหลับกันนี่อยู่เพื่อนปฏิบัติธรรมขเราก็มีอยู่ทั่วๆไปอางวัดโมกขันแก่นก็เพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้ปฏิบัติธรรมกันพอสมควร วันที่สิบสามเนี่ยไม่หลับไม่นอนกันเลยปฏิบัติเข้าดูกายดูใจเป็นวันมรณภาพลองปู่เทียนเราก็ยังทำกันอยู่เป็นเวลาสิบหกปีสิบหกสิบห้าปีแล้วสารสสิทธิ์ของปู่เทียนก็ยังพางข้ามาทำปฏิบัติ แต่เตือนรือ่นกันอยู่อย่าออนแอพวกเราขยังน้อยพยันจเจริญสตไิไม่ไม่เหมือนขยันหลังโซฟาหน้าสุดิลขยันรู้สึกตัวอย่านอนอยู่ก็รู้สึกตัวได้นั่งอยู่เดินอยู่ยืนอยู่เกินไหวไปมาหายใจเข้าพิบตาขึ้นน้าลายมองไปข้างซ้ายข้างขวาเกินไหวเพิ่มข้อความรู้สึกตัวเข้าไป หัดถ้ามันเป็นนนตใสแต่ลาใดมันหลงมันจะกระตือรือร้นเราความรู้จักตัวเนี่ยถ้ามันมีแล้วมันเห็นตัวหลงเนี่ยเห็นชัดเห็นแน่เห็นจริงจังเห็นทุกข์เนี่ยเห็นจริงจริงฉนเดินยังไม่เห็นชัดมนก็ทางานหมันก็สวนหมอตรวจโรคก็เห็นเชื้อโรคหลอกโอ้ยรู้แล้วรู้แล้ ว, ลลวกระตือรือร้น ล, ลวบัง พอที่จะพาตัดก็พาเข้าไปไปเองเชื้อโรคจนออกมาไม่ผาไม่ได้ไม่พาไม่ได้ผมนัดหอก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวความรู้สึกตัวเนี่ยไปเห็นโลกที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเอาออกจนได้ความหลงความโกรธความทุกข์มันตรงกันข้ามเลยความรู้สึกตัวทําไม่เป็น ความสุขความทุกข์อย่าไปหลงมันมันไม่มีหรอกมันหลอกเราเฉยๆเราหาความสุขความสุขก็วิ่งหนีเราเกียดความทุกข์ความทุกข์ก็ไล่เราไปพอเรามาดูความจริงมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวแล้วจมีที่มันหนักแน่งลงไปมีสิติ ไอ้สีลมั่นคงเข้าไปนี้สมาธิแน่วแน่ไอ้ปัญญาลอกปลูกลู่ลอกอะไรที่มันเกิดขึ้นมาวันใหญ่แมงงมุที่มันอยู่ในกลางอะไรมาจับจัดมันรู้มันแก้ไขมันเปลี่ยนง่าเป็นดีมันเลี่ยนถูกมันเปลี่ยนทุกข์เป็นสุขมันเปลี่ยนหลงเป็นรู้ เนี่ยป้ิบัติมันเกิดขึ้นมาอย่างเพราะกิริยาที่เราทำมันก็มีงานในการมันเป็นการเป็นงานเราทำแล้วมันเป็นการเป็นงานความรู้สึกเจ้าก็เป็นงานของเราควาหลงก็เป็นงานสร้างความหลงจากความรู้สร้างความรู้รู้ไปมนขยันมนาะมันมีความเปียน ความเพียรอะไรความไอ้สู้ความเพียรการเจริญสติเนร้มันเป็นกอกเป็นกรรมเสมอไม่เสียงเพราะนั้นเราทำงานทางการเลยิญชาวนาปลูกข้าวบางแห่งก็เสี่ยงท่วมแล้วับางแห่งก็แห้งแล้งแล้วับางแห่งก็เกิดอ่าศัตรูพืช <c oughs> ขึ้นมาอ่ความแห่งท่วมเลยเขาเสียงหมดเที่ยวหมดแรงเท่าไรลงทุนลงแรงเท่าไร่ักรวากปรปฏิบักษ์ในมันไม่ได้เสียงยกมือสร้างจาักหวาลลูสชะตัวอ เวลาไหนก็ไม่มีการเลยตื่นสมาเอาเลยก่อนจะหลอบกลับเอาไปเลยเหลับขาวความรู้สึกตัวสบายเลยถ้าหลับขาวความหลงฝันและวะ้วกันคุณวายไปหมดเลยตรงนั้นเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมมันเป็นขอบเป็นรรมเป็นงานเป็นการเห็นความหลง สร้างความรู้มันพอเหมาะพอดีกับเหมาะชอบแล้วชอบแล้วสร้างความรู้เวลาันหลงเตรียมสมองเป็นความารู้การงานชอบปฏิบัติชอบอยู่ชอบรู้ชอบอะไนี่เราอยู่โดยชอบสเกเมพิทเว พิสุสมาวิหายเลยยู่อสุนโยโลโกโอาาัลหันเตหิอัศพิสุทั้งหลายเมื่อพวกเคออยู่ดยโดยชอบแล้วใช้โลกจะไม่ว่างจากพระอัลลหันนี่คือาา อ, อยู่อย่างนี้แหละสร้างของมรู้จักตัวนี่แหละไม่มีอะไรก็ลูกไปลูกไปลูกไปลูกไป ชอบแล้วชอบรู้จักตั ว, วจะไปเอาอะไรอีกจะไปหาอะไรอีกจะโดดออกหนีรู้จักตัวรู้จักตัวน่ยมันามานชอบสุดยอดด่แต่ทำเสร็จอะไรเสร็มามันมีหลักแล้วเป็นความรู้จักตัวไปเลยไปประกอบตัวเป็นครู้จักตัวเหมือนกับในเครื่องมือ จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรถูกต้องทั้งหมดนะเปิดเผยได้เปลี่ยนได้เป็นดีได้เสี่ยนผิดเป็นถูกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่เราทําเนี่ยไม่ใช่เราโง่หลงลงไปไม่ใช่เพ้อฝันมันเป็นการเป็นงานเป็นการกระทําไปก็ตามอันเดียวกันนั่นแหละสาคัญ แต่ทําเป็นการทําบุญเนี่ยการเจริญสติภาวนาเนี่ยมันสุดยอดแล้วเป็นบุญแล้วบุญสาวกนด้วยสาวกนแห่งบุญด้วยการเจริญสติเนี่ยเป็นธรรมอยู่ในนี่เป็นศีลอยู่ในนี่เป็นภาวนาอยู่ในนี่เป็นวัตถุที่เกิดแห่งบุญทั้งหมดเลยอารมณ์ไม่สีลมยัยภาวนาไมา่หกทวน เป็นบุญสาพนไม่ใช่บุญแบบลอยๆ้าเป็นสวรรค์ก็พออยู่ในแดนแล้วเข้าประตูได้เข้าประตูแล้วจะเป็นสวรรค์ใ น, นพันก็เปิดประตูแล้จะไปหรือไม่ไปกันเลยไม่ใช่อยู่ไกลเลยอยู่กับมือเราอยู่กับการกระทําของเราตัวปฏิบัติ มันทุกข์ก็เปลี่ยนทุกข์เป็นสุขเน่ยปัตตูแล้วเปิดด้วยมือเราแล้วถ้ามันหลงก็เปลี่ยนหลงเป็นความรู้ลแล้วปัตตูแล้วเหมือนกับนากบรรดาบจำโไหลยเคยพูดแล้วหลายครั้งไปถามอาจารย์อาจารย์ครับสวรรค์นรกมีจริงไหม อาจารย์ก็ตอบว่าโอ้มองแบบตื่นเต้นมองดูหน้าของสมุไรคนนั้นมองไปข้างหลังเห็นดาบขัดอยู่ข้างหลังโอ้จะงูม า, าถามอย่างนี้หรือมองไปข้างหลังมีดาบโอ้มีดาบด้วยเลยเนี่ยเป็นนักฟันดาบสมุไรด้วยหรืออานคนนั้นกบโกร อาจารย์หานะว่ารูปว่าโง่โสดน่าเด้งขึ้นมาคนเคยปั่นดาบก็จะเอาดาบมาปั่นอาจารย์ชักดาบออกอาจารย์ก็ร้องว่าโอ้ประตูนรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้วนะับปั่นดาบก็นก็รู้ตัวโอประตูนรกคือความโสดอือ ก็รู้ว่โอ้ปตนรกคือความโกรธความหลงเนื้อพอเห็นเนี่ยนะก็เอาทําใจทําใจไม่ให้มันโกรธพอมันหายโกรธเอาดาบเข้าฝักอาจารย์ก็ร้องขึเอาโอ้ประตูสวรรค์เปิดแล้วประตูสวรรค์เปิดแล้วโอ้นั ก, กันดาบแล้วก็รู้เลย <c oughs> โอ้สวรรค์ดโดนนรกเลย <c oughs> กราบประจย์อย่างพอใจเนี่ยมันเห็นด้วยมือการปฏริบัติธรรมนี่ก็เป็นเช่ น, นั้นแหละมันรูปคําอยู่ทําดีด้วยมือเราแล้วความชั่วด้วยมือเราความเป็นธรรมชมพวกความชั่วมันก็เกิดขึ้นที่มือเราเนี่ยที่ชีวิตเราเนี่ที่กายที่ใจเราเนี่จะไม่รับรี่ที่ไหนดอก มนทุนโพ้อยู่นี่แหละเห็นสันหลังมันอยู่นี่แหละยังโบราณท่านว่า <c oughs> ไก่เห็นตีนงูงูเห็นตีนไก่ <c oughs> ไก่เห็นนมงูเห็นนมก่ <c oughs> ถ้าเป็นกรรมกิเลสวิบัติเท่ากังูคาบหางงู หมูข้านังไก่ไก่ข้าวผงหางงูงูข้าวผงงูหมูข้าบวผ ง, งไก่ไก่ข้าวังงูงูข้าวผงหงูมันเห็นอยู่เนี่ยอะไรล่ะที่มันเป็นก ร, รมัมอะไรที่มันเป็นกรรมัมเราจะตัดจะตัดตรงไหนเราจะไปแก้อะไรจะอ่อนวอนหรือต้องหยุดตรงนี้ล่ะ แต่จะเปรียบเหมือนคนสูบบุหรี่เพราสูบจึงอยากเพราอยากจึงสูบเพราสูบจึงเพราสูบจึงติดเพราติดจึงอยากเพราอยากเป็นสูบเหมือนงูข้าวฟางไก่ไก่ข้าบฟางหมูข้าวฟางงูข้าบฟางไก่ไก่ข้าวฟางหมูหมูข้าวฟางงูแล้วพูดหลงๆไปลักษณะก็เป็นอย่างนั้นแหละ กรมมันอยู่ตรงไห น, น้าเป็นสูบบุริ่เพสูบจึงติดเพาติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบของคนบอกโอ้ยมันอยากสูบบางคอนอกโอยมันติดแล้วไม่สูบไม่ได้เพราะมันอยากมันอยากก็คือสูบมันสู้วก็ติดมันติดก็อยากกรมมันอยู่ตรงไหนกร ม, มันนี่ก็อยู่ที่การกระทำเพราะสูบ ถ้าไม่สุขมันก็ไม่ติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่อยากถ้าไม่อยากมันก็ไม่สุขถ้าไม่สุขมันก็ไม่ติดก็ต้องตัดบ้างกานตัดเวรตัดกรรมชีวิตต่อการปฏิบัติมันตัดเวรตัดกรรมเพราะตัวหลงตัวรู้ตัวรู้เป็นตัวตัดกรรมตัวหลงเป็นตัวกรรมมีกรรมเราจงมาตัดกรรมเลยสิ้นกรรมความรู้สึกตัวทําให้สิ้นกรรม ใครจะไม่บาปเป็นกรรมอะไรมามาสร้างกะนนี่หลวงพ่อไปอบรมที่วัดหนึ่งนครปฐมอาจารย์เจ้าวาประกาศว่ามีพระฟางมารวิชัยเยอะแย ะ, ย ะ, ยะเต็มวัดท่านไม่มีที่ไว้แล้วท่านบอกว่าท่านก็บอกคนถ้าใครทำแท่งนะ่ มีทางเดียวที่ตัดเวลนตัดกรรมต้องสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่นเองยังอยู่ที่ชาลางหอใจเราต้องสร้างพระมารวิชัยไปถวายพระไปถวายวัดเพียงแตสิ้นเวรสิ้นกรรมปรากฏว่าคนทําแท่งเยอะก็เลยสร้างพระประธานไปถวายวัดทั้งเต็ไปหมดเลย ไปไประชุมกันพระสี่ส้าห้ารอยท่านเจ้าวาดประกาศให้พระสงฆ์ที่ไปไประชุม <c oughs> มารับได้ต้องการเพราะไม่มีที่ไว้ดังั้นหรือที่ตัดจำเจ้าวาดก็ไปสร้างไปบอกโยมนะโยมที่เป็นทาแท่งก็ทาแท่งกันจำนวนมากก็เอาพ้าไปไว้ไปไว้ไปไว้ไม่มีที่ไว้เลยทั้งเล็กทั้งใหญ่หน่าตัดสี่สิบห้าสิบนิ้ ถ้าใครทำแท่งมากก็สร้างพระองค์ใหญ่ๆไม่ใช่การตัดกรรมก็ต้องหยุดสิอย่าให้มันเกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมาหยุดหยุดตรงไห น, นมันหลงต้นตอมันคือมันหลงพราะมันหลงก็รู้ตัด ก, กรรมเราไม่รู้ตรงนี้ต่อไปแล้วมันมีตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้นอ่าก่อนที่เราจะไป ทำแท่งมันเกิดหลงก่อนพอที่จะมีเด็กทีใ่ในคันมันต้องหลงก่อนะถ้าไม่หลงมันไม่เกิดจะนั่งขึ้นมาทาแท่งบ้างกินยาคุมบ้างใส่ถุงยางบ้างหลงล้มเหลวทั้งนั้นั้าเกิดโลกเอชดนะือเพิ่มเติมนะแต่เนี้ยถ้าดูตัวหลงมเนอะถ้าเป็นสารวัตรผู้คลองเรื อ, อนก็ผัวหนึ่งเมียหนึ่งะค่นั้นเอง มันจะมีปัญหาอะไรไปหลงทําไมอี่แหละมันอะไรไปตัดกรรมต้องเอาพระประธานไปสร้างพระประธานไปถร้อยวัดเอคําบอกของพ่อเอาหลวงพ่อก็ไปเอาโอ้ยพ่วัดก็ไม่ไหลลุบแล้วถ้าไม่มีก็จะเอาอยู่เป็นเรื่องอมสวยๆอ่ามกรรมเนี่ยนะกรรมคือการกระทําที่เราทํำอยู่ในด้วยมือของเราเนี่ยมันเห็นอยู่นี่มันหลงที่ไรเราก็ลุกมันอยวเนี่ย คนเดินไม่รู้คนเราดกพอมันหลงขึ้นมาก็บู้พอหลงเราก็ตามมันก็ไปไปนะพอหลงจึงโกรธพอหลงจึงโลกพอหลงจึงรักพอหลงจึงชังพอหลงจึงสุขจึงทุกข์ถ้ามันไม่หลงมาเก็นไรปกติเลยเลยะนะ่วะเราจะเอาอยัางไงจริงขนาดนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ ไม่มีการไม่มีเวลาปฏิบัติได้อยู่มันหลงทีไรเราก็เปลี่ยนเป็นตัวลูกหรืออุตสา์ตรงนี้สักหน่อยเพียนตรงนี้แต่ต้องสร้างตัวลูกไว้มันจึงจะมีพลังยามสงบเราฝึกยามศึกเราจึงลบได้จะไปลบตรงๆเลยมันก็ไม่ได้ต้องฝึกไว้เหมือนนักป่วยที่เขาจะขึ้นเวทีเขาต้องซ่อมไว้ฝึกไว้ นักกีฬาที่เขาจะลงสนามก็ต้องฟ้องซ่องไว้เปิดไว้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสร้างไว้แต่มันมีเพอสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มันก็ไม่มีนปฏิจจสมุปบาททำที่เป็นการตัดชลูพระเจ้าได้ตัดชลูปฏิจจสมุปบาโทโพธิปักเคียร์ทสามสิบเจ็ดประการอยู่ในการปฏิบัตินี่ทั้งหมดเลย มันไม่ต้องไปเรียนหนังสือไปท่องไปจำอะไรหรอกทำลงไปภาวนาเนี่ยภาวนาคือขยันรู้เนี่ยตัวภาวนาคือตัวขยันรู้เนี่ยไม่ต้องไปบ่นเพิ่มฟังอับหนังสือมาท่องไม่ใช่ขยันรู้เอาไว้ขยันรู้เอาไว้นี่ขยันลู้มาว่ามาว่ า, ว า, วามันไม่ใช่รู้เฉยๆมันมีอะไรเกิดตรงนั้นเป็นพวงไปเลย นะมันสั่หลบไปเลยเหมือนพระพุทธเจ้าสอนแสดงธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนใบไม้ในป่าแต่พระพุทธเจ้ากําใบไม้กํามือเดียวขึ้นมาชูให้พิสุทั้งหลายดูเนียพิสุทั้งหลายทางลู่ที่เราตถาคตโู่มากเหมือนใบไม้ทั้งป่า แต่ที่เอกมาสอนพวกเธอทั้งหลายเหมือนใบไม้กระเมิอเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดหมื่นสี่พันเรื่องลองเรามาดูจริงๆเลยเพราะก็เรื่องกายลรื่องใจเรานี่แหละเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นระเบียบพิในประสูตรตอนตัปิดกสองหมื่นสองพันมาธรรมะขันพระพิในเปิดอกสองหมื่นสองพันมาธรรมะขันพระอภิธรรมปิดกสี่หมื่น 4,000 พระธรรมคันธ์หรือผิดไหมถ้าผิดกขขอไปนะเรื่องจำเลยไม่ค่อยแม่นลูนจําก็คือเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติ ด, ดูกายดูใจของเรานี่ประสูตรพระพิธรรมพระวินัยเป็นเรื่องชีวิตเราลว่นลวนที่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเรียกว่าวัตถุอาการวัตถุปรรมิอาการ เราจะเห็นอารมณ์นี่ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นรูปทุกเห็นนามทุกเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุปรามัตดอาการโอ้แตกฉานตอนเห็นวัตถุเนี่ยเห็นปรมัตดเนี่ยมันเป็นวัตถุตาเราก็เป็นวัตถุหูเราก็เป็นวัตถุ ลูกก็เป็นวัตถุเสียงก็เป็นวัตถุกลิ่นก็เป็นวัตถุพอมันสัมผัสมันเกิดอาการขึ้นมาไม่แต่กายเราสัมผัสกับความร้อนความหนาวก็เกิดอาการอาการเราไ่พอเกิดสมมติบัญญัติสมมติชอบสมมติไม่ชอบพอสมมุติก็เ อ, อิดออปปท า, านไปเป็นภกเป็นชาติฉลามรณะไปเนี่ยมันแตกฉานมันเป็นศีลเป็นสมาธิอย่างไรเป็นบาปเป็นบุญยังไง บุญไปทางไหนบาปไปทางไหนเลือกได้ชีวิตที่เลือกได้การปฏิบัติธรรมมีบุตรวาสนาแต่งได้วาสนาคือแต่งได้เอากายให้ดีเอาใจให้ดีอแต่งกายแต่งใจเรียกว่าวาสนาแย่าไปพูดว่าวาสนาแข่งกันไม่ได้มันแข่งกันได้อยู่สร้างเอาจาก มีความรู้ก็สร้างเอาเวลามันหลงก็เปลี่ยนก็หลงเป็นความรู้นี่ยสร้างเอาเปลี่ยนล่ายให้เป็นดีางนี่นแหละกำลังกาลังสร้างวาสนามันจะมีวาสนาจะมีบุญจะมีกุศลจะมีมากผลนิพพานไปนะพร ะ, ะนจ้นการปฏิบัติธรรมเน่ะมันไม่ฟรีหรอกมันเป็นงานเป็นการยกมือสร้างจังววารู้สึกตัวเคลื่อนไหวไปมา ทำเล่นเล่นนะอย่าไปทำจริงจังจนหน้าดำขำเครียดอยากลู้อยากเขีนอะไรทำสบายสบายหายใจหลงหลงวางใจสบายสบายอย่าไปคิดอะไรที่มันเบื้องหน้าเบื้องหลังทำสื่อสื่อกมือเคลื่อนไว้สื่อสื่อลูสื่อสไปจะเอาอะไรไม่ต้องเอาอะไรไม่แต่ความรู้สึกตัวความลู้สึกตัวไปนั่นะ ถ้ามีความลู้ก็ถูกต้องแล้วพลิกข้างหนึ่งก็ลู่ข้างหนึ่งยกขึ้นมาก็ลู้เคลื่อนไหวไปมาก็ลู่มันลู้อยู่นั่นอาใจอริบทเอาใจรูปแบบเอาใจนิมิตเกาะไปเคลื่อนไปไหวไปทำใหม่ๆต้องอาศัยนิมิตให้มากๆสิบสี่จังหวะก็ลู่สิบสี่ข้างอย่างเนี้ยเดินไปก็เก้าวไปก็รลู้ไปลู้ไปมันหยา บ, าบายาบเอาหยาบยาบไปก่อน การยกมือสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวรี่บทแบบสร้างจังหวะมันพอเพียงถ้าเป็นการศึกษาก็สมผูลแบบเป็นมหาเป็นการศึกษาที่ชั้นอุดมแล้ววัตถุที่ยกก็มีจริงๆรมีมือมีกายเรียกว่ากายานุปัสสนาเนี่ยแล้วมันก็รู่จริงๆเนี่ยเนี่ยมันสมบูรณ์ไม่ได้ ว, วาดมโนภาพไม่ใช่จับลูกแก้วมามองไปดูให้มันติดตา หลับตาก็เห็นไหมเห็นไหมไม่เอาอ่แบบนั้นไหมเอามันเห็นมือนี่มันเป็นนิมิตเนี่ยของเริงเนี่ยเอาของเริงมาศึกษาอทําไปทําไปมันจะปวดจะเมื่อยนี่แหละของเริงเห็นเวทนานั่นแหะเห็นเวทนาเห็นมันคิดนั่นแหละของเริงแล้วมันก็มีแต่เชียงเ่านี่แหละถ้าเราจเจริญสติถ้านั่งหลับตาให้มันจงบอกโออนิมิตเกิดมากมายมันกหลอกก็หลงไป ติดอยู่ในความหลงติดอยู่ในความสงบติดอยู่ในความสุขตายอยู่ตรงนั่นก็มีนักภาวนาทั้งหลายอันนี้เราไม่ต้องอันนี้มันก็เกิดได้น้อยเพราะคนรู้สึกตัวอยู่นะ <c oughs> ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่ไหนถ้าเกิดก็เกิดเพินเพิดผิวผิวคอยทำให้หลงเราเข้าใจไหมไม่ได้พูดลี้ลับอะไร อดแบบเปิดเปิดเผยเผยของจริงไม่ใช่ลดลับอดแล้วเห็นได้ทันทีเนี่ยก็อดนอนหน่อยวันนี้นะไปหลายวันเนาะกลับมาก็บางคนก็มาไม่ทันกลับบ้านแล้วก็อีกสองวันวันพระรหัสนี่จะมีญาติธรรมทางกรุงเทพไหมสี่ห้าคน สมาเธอมา่มานเราม่านเราอยู่ตรงนี้มาอยู่ด้วยกันปฏิบัติธรรมก็สมควรใจเวลาพวกเราก็กราบพระพร้อมกันระหังสัมมาสัมพุทธ佛菩ว Bodhanga khan tang akhyade ตววกตโตภะโตตัตถโมสามมงคลเจ้าสุปฏิปโนภะกวตโตสาวะตังโกสามขันธ์นะม้า